ตั้งใจทำใจของตนให้ดีอย่าให้ใจมันลอกแวกต้องทำตนเป็นคนใจคอหนักแน่นเรื่องหูนี้มันเกี่ยวแก่การฝึกถ้าไม่ฝึกมันไม่เป็นไปให้พากันเข้าใจ การฝึกหัดตื่นดึกลุกเชา้าหมูนี้นะมันเป็นการฝึกให้เป็นผู้ตื่นอยู่เสมอไม่หลับไม่ไหลจนเกินไปผู้ปฏิบัติธรรมผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละ ผู้ไม่เห็นภัยในสงสารมีแต่หลับแต่นอนเอาแต่ความเกียจคร้านเป็นประมาณในนอนมากก็ว่าดีคนเกียกคร้านมันก็นานพ้นทุกข์เป็นแบบนั้นนะคนบูเห็นภัยในสงสารเน่ะก็ต้องลุกขึ้นทำความเพียร เผื่อเกียตของตนให้มันถอนจากโลกอันนี้ไม่ให้มันเกาะไม่ให้มันคล้องอยู่ในโลกนี้อย่างนั้นจึงเรียกว่าผูเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารอันนี้โดยเฉพาะโลกมนุษย์ของเราเนี่ยมันยุ่งเหยิงเหลือเกินอุ่นวายกันเบียดเบียนกัน โลกแห่งความเบียดเบียนไอแต่ว่าผู้มีปัญญาทั้งหลายเพื่อนก็นมะเกิดในโลกนี้แหละเพราะว่ามาดูโลกอันนี้แล้วมันสับสนรุ่นแายวายหน้าเบื่อไม่น่ายินดีพอใจเช่นพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นตัวอย่างพระองค์จึงได้สละราชสมบัติออกบวช กระเพาะมองเห็นโลกอันนี้มนันรุนไว้แลวเคยไม่น่าอยู่ถ้าเขินอยู่ไปก็เป็นทุกข์ายองค์เห็นอย่างนั้นถึงได้สละราชสมบัติออกบวชเบิ ก, กจิตใจอยู่ในที่สงบสงัดทำให้ใจสงบลงในปัจจุบันไม่ก่อกเกี่ยวกับเรื่องภายนอกนี่มันเป็นหนทางพ้น จากโลกนี้โลกหน้าไปได้การฝึกจิตอย่างนี้นะเรีว่าเราฝึกจิตในี่ให้ละความยึดความถือความมุ่งหมายนะ่ะว่าขั้นแรกนี่ก็คมซะก่อนอย่าให้ใจมันฟูขึ้นมาคมให้มันสงบลงไป เมื่อฝึกจิตนี้ให้สงบลงได้แล้วก็หัดให้มันคิดพิจารณาตัวเองนั่นแหละฝึกตัวเองจะให้คนอื่นฝักฝึกให้ตลอดไปไม่ได้หรอกผู้อื่นก็ฝึกเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นเองต่อจากนั้นไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของใครของเราจะพึ่งฝึกตนเอาเอง บางคนน่ะไปอยู่ที่รับตารับหูคนแล้วอย่างนี้มักจะคิดไปในทางชั่วทางเลวไร้มอเก็บทำความชั่วไปก็มีขั้นตัวหน้าคนไม่ทำไอ้อย่างนั้นมันเข้าใจผิดคิดว่าจะไม่มีใครรู้ไอ้ตนทำความผิดนั่นน่ะ ที่จริงแท้เทวดาผู้มีฤทธิ์มีเดชนั้นรู้หรือว่าท่านผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมร่งรู้คนที่ทำผิดผิดจากสินจากทรอย่างร้ายแรงอย่างนี้เพราะฉะนั้นอะ ให้เพ่งคิดว่าแม่คนอื่นไม่รู้ตัวเองก็รู้ตัวเองว่าตนเองทำผิดอย่างไรบ้างทำไมมันจะไม่รู้ล่ะในเมื่อเรารู้จักหลักแห่งความผิดอยู่นี้พระพุทธเจ้ า, าทรงวางหลักไว้แล้วบัญญัติไปแล้วทำไมจะไม่รู้อ่ะเออถ้าว่า ไม่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ห้ามไว้อย่างนี้ก็จะอ้างว่าไม่รู้ได้ย่แต่ถึงจะอ้างว่าไม่รู้แล้วทำลงไปจะว่าไม่เป็นบาปไม่ได้เป็นอยู่ไม่รู้ทำลงไปก็เป็นบาปมันเป็นอย่างน้นเพราะว่า มันเจตนาแล้วนี่เจตนาไปในทางที่ผิดแล้วเหมือนอย่างไฟนี่แหละถ้าใครไม่ไปจับมันมันก็ไม่ไหมใครอะมันก็ร้อนอยู่ตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าคนไปจับหรือไปเหยียบเข้าไปมันก็ไหมเอาอบาปอากุศลทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเนี่ย <c oughs> เมื่อบุคคลก็มันมีเชื่ออยู่ในจิตใจนั้นแล้วแบบ น, นี้เมื่อเจตนาทำทางกายพูดทางวาจาออกมานี่มันก็เลยเป็นบาปได้รับความเดือดร้อนใจนเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะให้พึ่งพากันภาวนาดูให้มันเห็น สิ่งที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษต่อจิตใจใจจะเป็นทุกข์เดร้อนด้วยเหตุอันใดเราต้องรู้นักภาวนาเมื่อรู้แล้วก็ต้องละเหตุอันนั้นละทีเดียวมันไม่หมดไม่ได้ก็เพียนพยายามละเลยไปมันไม่เหลือวิสัยถ้าเราภากเพียนพยายามแล้วนะ มันเป็นไปได้ทุกทีท่งทุอย่างมันมันย่อมจบลงได้โดยความเพียรเพียร น, นี่มันเป็นคากลางเพียรทำชั่วก็ได้เพียรทำดีก็ได้เป็นอย่างนั้นอันบุคคลผู้ที่จะทำความชั่วผิดกฎหมายผิดศีลธรรม บางทีมันก็ยังไม่ได้โอกาสแต่เจตานามันมีอยู่แล้วมันก็หาโอกาสอยู่นั้นแ่เพียรพยายามอยู่อย่างนั้นเมื่อได้ช่องได้โอกาสมันก็ทำชั่วลงไปร่วงกฎหมายร่วงศีลร่วงทำไปก็เป็นบาปเป็นโทษนี่ยังว่าความเพียรนี่มันเป็นคำกลางอันนี้แหละ ถ้าใจมันชอบกับกุศลคุณงามความดีมันก็ภาคเพียรพยายามไม่ได้เร็วก็เอาช้าแต่เมื่อเราเพียนพยายามเพ่งพินิจอยู่ในจิตใจเสมอเสมอแล้วอย่างนี้นะมันก็ละเหตุแห่งทุกข์ได้เพราะมันรู้ม嘛 น, นี่ มันเพ่งที่เจรณาดูเสมอเนี่ยทุกคนยกรู้เรื่องของตัวเองนะจิตใจตัวเองยึดถืออะไรเป็นยังไงนี่มันรู้ได้ถ้าถ้าทวนกระแสจิตเข้ามาภายในนี่นะรู้ได้ดังนั้นให้พึ่งพากันโน้มสติเข้ามา ระลึกตามลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปไม่มีใครละจะมาละกิเลสปอบธรรมให้เราให้นึกอย่างนั้นมีแต่ตัวใครตัวมันละเอาเองอ่ใครละได้ก็พ้นทุกไปใครละไม่ได้ก็ไม่พ้นทุก น, นี่ก็เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นอ่ะ ให้พึงพาการสันนิษฐานตัวเองว่าตนเองรักตัวเองไห ม, มก็ต้องต่อว่ารักแหละใครไปเกลียดตัวเองอยู่แล้วนะถ้ารักตัวเองก็ต้องทำตนเองให้เป็นสุขสบายอย่าไปสร้างเหตุแห่งทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ตนก็สอนตน อ, อย่างนี้แหละถ้ารัก ตัวเองจริงๆเนะี่ยไอคนผู้ที่ยังไปทําชั่วอยู่ประพฤติผิดกฎไม้ผิดสินผิดธรรมอยู่แล้วยังประกาศว่าตนรักตนตนต้องการความสุขอย่างนี้ไม่มีใครเขาเชื่อนักประหาดทั้งหลายไม่เชื่อว่าผู้นั้นต้องการความสุขจริงถ้าหากว่าต้องการความสุขจริง มันก็ต้องค้นคว้าเพ่งพินิษดูจิตใจตัวเองเพราะว่าจิตใจจะเป็นทุกข์เดือดร้อนก็เพราะมันยึดเหตุแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนไว้ในใจเช่นมันยึดความโกรธรวบไว้ยึดความโกรธไว้อย่างนี้นะเมื่อมันยึดไว้กิเลสแล้มันก็ทําพิษเอา ทำให้จิตอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นตุดเมื่ออยากมากๆเขามกรกรนใจ ม, มันไม่ได้สมหวัง่ะความโกรธก็เหมือนกันเนยเมื่อไปสะสมไม่มันมากเข้าก็ทําพิษทําจิตให้เล่าร้อนให้เล่าร้อนแต่ส่วนตัวยังไม่พอไปทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนตาม นี่โทษแ่งความโกรธไม่มีดีอะไรเลยมีแต่โทษบุคคลผู้สร้างยึดความโกรธไว้บุคคลยึดความหลงไว้ก็เช่นเดียวกันความหลงนี่แหละจะถ้าจะว่าอย่างหนึ่งเป็นรากเหง้าอันเหนียวแน่นของกิเลสต่างๆรากเหง้าของกิเลสตัว อ, อื่นๆ ก็ยังสู้ร่าร่าก้าเหงความหลงไม่ได้เพราะว่าความหลงนี่อวิชชาความไม่รู้เนี่ยพระอระหันโนนะร่าขาดจากสันดานท่านพระอนาคานีก็ยังละไม่ได้อวิชชาความไม่รู้นี่นะความหลงความฟุ้งซ่านลำคาญใจ โมนี่พระอราหารันตะขาดไปเลยส่วนพระอนาคาสกิต า, าโสดาบรรลงมาในยังละไมขาดบางคราวจิตใจยังฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่แต่เมื่อท่านทำความเพียรเข้าไปใจสงบลงไปแล้วไอ้ความฟุ้งซ่านเลื่อนลอยก็หายไป ม, มันทำความเพียร ง, ง่าย สำหรับผู้บำเพ็ญทรมานตนด้เบื้องต้นไปจนบรรลุโสดาบันแล้วต่อจากนั้นไปมันก็ไม่ได้ลำบากกับกรรมเท่าไหนนะักทำบุญกุศลความดีท่านอุปมาไว้เหมือนอย่างคนนั่งเรือให้ไหลไปตามกระแสน้ำนี่แม้ไม่พายมันก็ไหลไปเองมัน ให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่ากระแสน้า ม, มันไหลลงไปเบื้องต่ำนี้ดังนั้นน่ะผู้ที่ปรารถนาจะไปที่ไหนไปค้าขายเมืองใดอย่างนี้นะเอาสินค้าลงใส่เรือแล้วปล่อยให้มันไหลไปตามกระแสนา้าเพียงแต่ถือท้ายไว้เท่านั้นมันก็ไหลไปจนถึง ทะเลหลวงนู่นแหละคุณธรรมของพระโสดาบันก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อท่านผูน้ใด้บรรลุโสดาบันแล้วอินทรีย์ของท่านนำมาแก่กล้าพสมควรนะ่ะสัทธินทรีย์อินทรีย์คือทธากเชื่อความเชื่อคนหนักแน่นประกอบไปด้วยปัญญาความเชื่ อ, อ น, นั่นนะ่ะ วิริย์เย็นสีความเพียรก็แก่กล้าพระอาทยาบุคคลอย่าไปเข้าใจว่าท่านได้มักได้ผลแล้วท่านคงไม่ขยันมันเพียรอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนี่ท่านผู้ได้มักได้ผลนั่นแหละท่านยิ่งขยันกว่าคนธรรมดาสามัญเพราะเหตุว่าท่านมองเห็นบุญว่าเป็นสิ่งอํานวยความสุขให้จริงๆ อันบาปเป็นสิ่งอำนวยความทุดวกให้ท่านถึงละขาดออกไปเมื่อท่านะบาปไปขาดออกไปแล้วจึงสามารถบรรลุมรรคผลได้ถ้าละบาปยังไม่ได้ยังบรรลุมรรคผลไม่ได้คนเรานะ่ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละจึงต้องตั้งความเพียรลงความพยายามลง ดูจิตใจตัวเองนี่แหละอยู่เสมอเสมออะไรอะไรมันก็ลงที่จิตเกิดขึ้นที่จิตนี่แหละดีก็ดีชั่วกว็ดีแต่ผู้ที่เป็นพระโสดาบันแล้วท่านทมแต่ความดีความชั่วท่านละขาดมาแล้วแต่อริยมรรคเกิดขึ้นครั้งแรกนู่น แต่คนรมดาสามาัญเนี่ย <c oughs> ยังถอนรากแห่งความชั่วไม่หมดยังอยู่ <c oughs> ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพา ก, กันนิ่งนอนใจหากเพียนพยายามไปจนกว่ามันจะถอนรากแห่งความชั่วนี้ออกได้หมด การถอนรากแห่งความชั่วออกได้หมดกับการละกิเลสมันก็ไปด้วยกันนั่นแหละมันปนอย่างนั้นหรือการบาเพ็ญบุญกุศลก็ไปด้วยกันเพราะว่าเมื่อใจละความชั่วออกไปขั้นหนึ่งอย่างนี้กุศลทำก็เกิดขึ้นทันที จิตใจเบิกบานผ่องใสความรู้ความฉลาดก็เกิดขึ้นมีขึ้นได้ถ้าหากก็ยังไม่ถอนรากของบาปออกไปบุญกุศลอันละเอียดสุ ข, ขุมอันสะอาดจะไม่เกิดขึ้นในจิตใจของผู้นั้นถ้าเป็นบุญก็บุญอย่างหยาบๆนั่นแหละเกิดขึ้น บุญอย่างละเอียดปาณิ์ไม่เกิดเพราะว่าจิตยังรกกรุงรังมัวหมองอยู่ด้วยกิลเลสตัณหาเป็นอย่างนั้นเนืองมานะ่ะก็สมควรจะตื่นตัวกันแหละพวกเราเพราะว่าอายุมันก็มากขึ้นมาแล้วผู้ใดก็ดีอยู่นานวันนานปีนานเดือนไปความชลาภาพมันก็เข้ามาบีบคั้น ท่านมันชลาภาพมากมากเข้าไปมันก็ทำความเพียรไม่ได้ทำไม่ได้มีแต่นั่งนั่งนอนนอนอยู่เฉยๆนี่แหละผู้ที่จะทำความเพียรขยันขันแข็งแกกล้าให้ได้ต้องอาศัยขนนมอก็เพราะฉะนั้นนะ่ะท่านผู้ออกบวชตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะ่ะ ท่านจึงไม่ได้ออกบวชเมื่อแกออกบวชเมื่ออยู่ในวัยกลางคนหรือวัยหนุม่มเช่นพระพุทธเจ้าของเรานี้ทรงเสด็จออกบวชอยู่ในวัยหนุม่มอายุเพิ่งได้ยี่สิบเก้าปีเท่านั้นเองนี่แหละความเป็นหนุ่มเนี่ยต้องให้ใช้ความเป็นหนุ่มนี้ให้เกิดเป็นประโยชน์ แต่ตนและผู้อื่นให้ได้เพราะว่ากำลังกายกำลังใจอันไรก็ยังแข็งแรงดียังไม่ทุดโทรมดังนั้นเน่ะเราต้องอย่าปล่อยให้วันเวลาล่วงไ ป, ปเปล่าไม่ใช่ล่วงไปแต่วันเวลาชีวิตคือร่างกายสังขารนี่ก็ร่วงโรยไปตามกัน เมื่อเวลายัางหนุ่มแน่นผู้ใดฝึกตนทรมานตนถ้าไปจนกิเลสมันอ่อนกำลังลงมันถ้ามันละไม่ขาดก็มันเหลือกิเลสส่วนละเอียดอย่างนี้ผู้นั้นก็ได้ความสบายใจมากมายมันรู้ด้ยตัวเองแหละหายจากความกังวลได้เยอะแยะเลยเพราะว่าความเพียร น, นี่ มันเป็นตะปรทำเมื่อเราเพียนเพ่งอยู่ภายในไม่ถอยอ่ะความเพียนนี่แหละเป็นตะปาทำเผากิเลสให้เราร้อนขึ้นมาในใจเมื่อใจฉลาดก็รู้ว่นี่คือกิเลสบางคนเข้าใจไม่ถึงเมื่อจิตตนวุ่นวายฟุ้งซ่านทำยังไงก็ระงับไม่ได้อย่างนี้ค่ะ ถือว่าตนทตาสมาธิไม่เป็นก็เลยท้อถอยเสียอย่างนี้นะไม่ถูกต้อง mm hmm. ก็เมื่อใจมันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยนี่นนะแสดงว่ากิเลสมันแสดงอิทธิพลออกมาไอเราหรอจะมีอะไรปิดอิทธิพลต่อสู้กับกิเลส mm hmm. ก็เราอาธิษฐานถึงคุณประพุทธประธรรมระส่์ อธิษาฐานถึงบุญบา ร, รมีที่เราทำมาแต่ก่อนนั้นน่ะหากมีจริงขอให้ข้าพเจ้ามีกำลังจิตใจใี่เข้มแข็งขับไล่ามารคือกิเลสอันมันกำเริบขึ้นในจิตใจนี้ให้มันน้อยเบาบางและหมดไปสิ้นไปให้ได้ เมื่อเราอธิษฐานจิตอย่างนี้บ่อยๆเข้าบารมีธรรมทั้งหลายมันก็ปรากฏมันก็มีกำลังใจเข้มแข็งมาเนี่ยกำลังใจไม่อ่อนแอแล้วได้บุญได้คุณเป็นที่พึ่งเป็นกำลังใหญ่อย่างนี้นะมันพึงละได้นะกิเลสนะบุคคลไม่มีบุญคุณเป็นกำลัง แล้วการเจริญสมาธิก็ไม่เกิดการเจริญปัญญายิ่งแล้วเลยถ้าสมาธิไม่เป็นแล้วนะปัญญาก็ไม่เกิดจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจเราภาคเพียพรพยายามละกิเลสอันเป็นเดชให้เกิดทุกข์นี่มันก็ย่อมยากลำบากบ้างแหละแต่ก็ดีกว่า ความยากลําบากใดๆในโลกเช่นยากเกี่ยวกับการหาเงินหน้าทองเข้าของอะไรมาเลี้ยงอัตภาพตัวเองและครอบครัวอย่างนี้นะอันนั้นมันแสนยากแสนลําบากจริงๆลําบากไปเรื่อยไปไม่มีทางเบาถ้าหากว่าไม่ละมันอย่างว่านี่นะแต่บุคคลก็ยังสู้ทนอดกั้น ครองเรือนจนสร้างทนเป็นฝั่งเป็นฝาเป็นละแกล่งขึ้นมามีโลกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองก็มีบางคนอ่ะอันนั้นเรายังอดทนได้ยังต่อสู้กับมันคือกิเลสมันขัดขวงให้เจียร์คลานหมู่นี้นะกำจัดมันออกไป ห, หมดแล้วมันก็ขยันหมันเพียรทำงานไม่ท้อถอย อันนั้นเรียกว่างานภายนอกนั่นแหละมันไม่พ า, พาให้พ้นทุกไปได้จริงจังพระพุทธเจ้ายึงสอนให้เราบำเพ็ญ ง, งานภายในงานภายในจิตใจนี่แหละสำคัญกว่างานภายนอกเมื่อบุคคลมาภาคเพียนพยายามเพ่งพินิจอยู่ในปัจจุบันนี่ไม่ท้อไม่ถอย กิเลสมันก็บาวางออกไปจากจิตใจผู้นั้นก็เมื่อไดเกิดปีติความอิ่มใจในดอกไม้ทุกเทียนนั้นเวลาจะเลิกกันไปก็ยังมีจิตฝักไฝ่อยู่ในศิล น, นธรรมยังเป็นผู้ไม่ลืมเลือนขอวัดปฏิบัติ อันนี้นะบว่าเป็นสิ่งสำคัญนะการที่เรามีจิตใจฝักไฟอยู่ในความเพียรเนี่ยไม่เช่นนั้นเรากิเลสมันก็ไม่แห้งไปอ่ะคอยเข้าใจดังนั้นอย่าไปอยู่เฉยๆการที่เราจะอยู่ในบ้านก็ดีอยู่ในวัดก็ดีอยู่ที่ไหนก็ภากเพียรอยู่ที่นั่นแหละ พาเพียรพยายามน้อมสติระลึกเข้ามาหากายหาจิตนี้นะบ่อยๆมากรวดดูกายดูจิตนี่มันเป็นยังไงนี่เห็นเมื่อบุคคลพยายามน้อมสติเข้ามาเพ่งพินิจอยู่บ่อยอย่างเงี้ยมันจะหายหลงหายเมาไปเรื่อยๆนี่มันเป็นอย่างนั้นจะตื่นตัว ตื่นยังไงอ่ะก็ตื่นตัวว่าตนเนี่ยมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงหมายเอาดวงจิดนี่แหละเมื่อมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงมันก็ต้องเป็นทุกข์เป็นธรรมดาเหมือนอย่างบุคคนมาอาศัยบ้านเรือนเสาไม้ไผ่มุงจากมุ ง, งา้ากาอะไรอย่างนี้นะ กั้นโดยฝาไม่พัยหรือฝาแถบตองอะไรโมนี่เมื่อลมพัดมามันก็ไหวไปไว้มาดีไม่ดีก็หลังคาเปิดไปหรือลมหัวด้วนหอบไปทางหลังก็มีไอ้บ้านที่ไม่ได้สร้างให้แข็งแรงนะมันเป็นอย่างั้นเจ้าของผู้อาศัยอยู่ในบ้านก็เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้ว ข้ออุปมานี่ชันใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบุคคลไม่มันเพ่งที่นี้เข้ามาหาจิตใจไม่ทำที่เพื่อให้แก่จิตใจอย่างมั่นคงเช่นนี้เนี่ยโดยสำคัญว่าตนนั้นไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายง่ายอะไรอยู่อย่างนี้นะสำคัญอยู่เนี่ยมันก็นิ่งนอนใจนั่นแหละ เมื่อเวลาภัยพิบัติมาถึงเข้านันทีแบบนี้สเสียใจเศร้าโศกเพราะว่าตั้งจิตใจไม่ได้เลยเมื่อเวลาปกติอยู่ไม่ควบคุมจิตไม่หอ ด, ดทนไม่ภาดเพียนอย่างว่ามาแล้วนะั่นแหละแต่เมื่อเวลาความตายมาถึงเข้ามันจะไปทําความเมียนได้อย่างไรอะ่ะทําไม่ได้ในเวลานั้นนะเพราะว่า มันไม่มีเรี่ยวแรงแล้วมีแต่ที่จะคอยเวลาจิดถอนออกจากร่างนี้เท่านั้นเองถ้าผูใ้ใดได้ฝึกตนไวแต่เนิ่นๆแต่ยังไม่เจ็บหนักไม่ชวนจะตายอย่างนี้ทำใจให้หนักแน่นอยู่ด้วยบุญด้วยคุณไว้มีปัญญารู้แจ้งในนามในรูปนี้ตามมิจริงอยู่อย่างนั้น ก็รูปนามนี่มันไม่ใช่ของเราอะเห็นแจ้งอยู่อย่างนั้น เ, นเวลาฆะมัจจุราชคือความตายมาถึงเข้ามันก็ไม่หวั่นหวั่นพันพึง่งเอาก็าเราได้พิจารณาแล้วรู้แล้วนี่ว่าร่างกายนี่มนไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้ดังนั้นมันจึงเป็นไปตามกฎธรรมดาของมันกฎธรรมดาของมันเมื่อมีเกิดขึ้นแล้วก็มีแปรปลวนแตกดับไป เป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วขอให้พากันตั้งอกตั้งใจทำความเพียรเพ่งพินิดเข้าไปให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาก็จะจะพบความสำเร็จคือความพ้นทุกข์ตามกำลังความสามารถของตนของตนดังแสดงมา